ใช่คือดูอย่างนี้คือถ้าทางมโนทวารเนี่ยดูตรงที่ว่าถ้ามีอตีตาพวังรับอารมณ์หกที่เป็นปัจจุบันถ้าหากว่าไม่มีอตีตาพวังรับอดีตอนาคตนิพพานนรูปหรือว่ารับอนิพพานนรูปเนะที่เป็นเตกาลิกะทีนี้ถามว่าตรงนี้เป็นข้อบ่งบอกว่าวิถีนั้นรับอารมณ์อะไรถ้าถามว่า และที่มีอติถาววางมากอย่างเหมือนที่โยมสลีถามอ่ะมีเกินหนึ่งขณะเนี่ยไอ้อย่างนี้จะไปบอกว่าอารมณ์แรงได้ยังไงเพราะไปเทียบกับทางอาติมหันตารมณ์วิถีถ้าใ น, น, นอติมหันตารมณวิถีมันหนึ่งขณะแล้วเข้าสู่ครองเลยตรงนั้นอาศัยอะไรเป็นใหญ่อาศัยอารมณ์เป็นใหญ่ใช่ไหมเมื่ออารมณ์ที่จะตั้งอยู่นั้นจะต้องตั้งอยู่แล้วต้องชัดเน้นทีนี้ของสภาพของอารมณ์เนี่ยถ้าทางมโนทวาร น, นี่นะ ถ้าเป็นอติวิภูตารมก็เป็นวิ์อติภูตารมทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าจิตนั้นจะปรารบเมื่อไหร่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะผ่านอาติตาวางไปตั้งเจ็ดขณะแล้วก็ได้แต่ก็แรงทั้งตลอดสายชัดตลอดสายคำว่าชัดในที่นั้นเอาอะไรเป็นตัววัดเอาตัวใจที่นึกน้อมไปต่อมโนทวารที่ที่นึกน้อมมโนทวาร ว, วชนะ ที่น้อมไปรับอารมณ์นั้นมันเหมือนอย่างนี้เหมือนเรือใช่ไหมระยะทางของเรือที่วิ่งมาเนี่ยเวลาเรือมันวิ่งมาเนี่ยนะไอตัวเรือนั้นมันเกิดตั้งนา น, นวิ่งมาตั้งนานแล้วแต่คนคนนั้นน่ะไม่ได้ไปมองแต่จุดเกิดจุดแรกมาคอยมองดักตรงหลังจากเรือออกตัวมาแล้วระยะหนึ่งจึงมามองเห็นแต่เห็นชัดไม่ชัดเห็นไหมเพราะความแรงของอารมณ์มันแรงอยู่แล้ว และความชัดของกระแสจิตที่กระตุ้นเตือนในการเกิดขึ้นเพื่อจะรับอารมณ์ก็แรงอยู่แล้วนั้นความชัดในลักษณะเช่นนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอติวิภูตารมณ์วิถีส่วนจะเป็นตาทารนาวาระหรือชาวนาวาร ะ, รา น, าาระนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าจะรับประมัติธรรมหรือรับกลุ่มที่เป็นบัญญัติธรรมเป็นต้นหรือกลุ่มของธรรมอารมณ์ทั้งหลายหรือกลุ่มของอารมณ์ที่เป็น รูปอารมณเนี้ยถ้ากลุ่มพวกนั้นก็มีตรงที่เป็นตัวกําหนดรู้ว่าอารมณ์เป็นปัจจุบันหรือเป็นอนดีตอนาคต<ม>ก็ตรงที่ว่าอารมณ์นั้นตั้งอยู่อารมณ์นั้นเกิดมาแล้วแต่วิถีจิตยังไม่ไม่ลำพึงถึงวิอารมณ์นั้นเกิดมาแล้วแต่วิถวววีจิตยังไม่ลำพึงถึง เพราะการลำพึงถึงนั้นเป็นชื่อของมโนทวาราวัชนะใช่ไหมเพราะมโนทวาราวัชนะยังไม่ได้เป็นน้อมรับอารมณ์นั้นนี่ถามว่าจะเกิดมาหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดได้ทั้งนั้นอตีแต่ ว, วงังแปลว่านับเนื่องอาตอนที่มโนทวาราวัชนะนั้นจะลำพึงถึงได้เมื่อไรถ้าลำพึงถึงในขณะที่อตีแต่ ว, วังผ่านไปแล้วสองขณะก็ได้ หรือสามขณะหรือบางทีก็รำพึงเร็วเช่นว่าผ่านมาหนึ่งขณะแล้วรำพึงเลยอาทาไมมี อ, อธิต่าวังอัตถกถาท่านบอกว่าในในยะของอัตถกถานี่ท่านอาตีต่าวพระวังมีในปัญจเมื่อทางมโนวทวานจะรับปัจจุบันก็ต้องมีอตีตะแต่ในอวิธรรมสังหาไม่ได้กําหนดแยกแยะไว้อย่างนี้นะก็ให้รู้ตามนะ อติวิภูตารมกับวิภูตารมใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องดูจากการว่าอารมณ์นั้นด้วยสภาพของคุณภาพของอารมณ์นั้นด้วยที่ไม่ชัดมากที่สุดแต่ชัดมากเท่านั้นเองและก็สภาพของจิตที่รำพึงถึงเห็น ไ, ไหมสภาพของจิตที่รำพึงถึงมีมโนทวารวชนะเป็นต้นเนี่ยที่ไปรำพึงถึงอสภาพจิตเหล่านั้นต่างหากนั่นอะบ่งบอกถึงว่า ตัวอารมณ์เน่ยชัดไม่ชัดแต่ไม่มากเอาถามว่าชัดมากหรือไม่มากอย่าไปเอาบอกว่าดีหรือไม่ดีเป็นเกณฑ์นนะใช่ไหมอารมณ์ที่เป็นอติอิทะชัดมากก็ได้ชัดมากที่สุดก็ได้แต่แต่ไม่ชัดมากก็ได้ใช่ไม่ใช่ย้อนตัเป็นงั้นไหม อติวิภูตาลมวิภูตาลมนะคือว่าสังเกตที่ตัวตาลูกค่อไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรนไม่จะสังเกตได้ยังไงถ้าเกิตั้งทีมาแล้วาอไม่ไม่มีจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นวิภูตาลมอันไหนเป็นอติวิภูตาลตรงนี้ตรงตรงนี้เขากำหนดมาให้ไม่ได้ที่รู้เองไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะ ต ร, ตรงนี้เขาจะกำหนดมาให้คื อ, ค, อคือตรงนี้เขาจะกำหนดให้เขาจะกำหนดให้ให้สังเกตถ้าถ้ า, ถ, าถ้าพอจะสังเกตนะพอได้อยู่สังเกตตรงไหนถ้าไปแบ่งเป็นประเภทถ้ามีอตีตะวังหนึ่งหนี่ใช่แล้วอติวิภูตารมถ้ามีอตีตะวังหนึ่งเจ็ด อันนี้ใช่แล้วอวิยภูตราร่มทั้งนี้ก็แยกได้อันนั้ก็จุดสังเกตใช่ไหมถ้าดูตรงนี้เราก็เห็นแล้วถ้าถึงหนึ่งถึงเจ็ดนี่แตทาลำหน้าจะเกิดได้ไหมได้ไหมเบียดแตทาลำหน้าหายไปแล้วเห็นไหมก็ดูดูสังเกตตรงนั้นเอาเพราะตรงนี้มันเอื้อมนวยต่อที่แตทาลำหน้าจะเกิดเอื้อมหนวยต่อแตทาลำหน้าจะเกิดก็ดูอธิษวังเป็นเกณฑ์นหน่อยก็แล้วกันดูตรงนั้น อธิษวางไม่ได้รับรู้อารมณ์เป็นข้อบ่งบอกว่าอารมณ์ผ่านไปผ่านไปแต่ยังไม่ปรากฏอะไรนะโยมดูยังไม่ปรากฏทางมโนทวารก็คือตัวมโนทวารยังไม่ลำพึงถึงอารมณ์ตอนนั้นรู้ว่าอารมณ์เกิดแล้วอารมณ์ปรากฏแล้วก็หมายถึงอารมณ์นั้นผ่านไปหลายครั้ง ก็ต้องดูว่าอารมณ์นั้นเพียงพอต่อการจะเป็นปัจจัยให้กับต่ธาลัมน้าไหมเพียงพอไหมใช่เพราะว่าอารมณ์นั้นจะเพียงพอต่อการที่จะเป็นปัจจัยให้แต่ธาลัหน้าเกิดได้ไหมถ้าอารมณ์นั้นหมดไปก่อนหรืออารมณ์นั้นมันไม่แรงอันนี้หมายถึงที่มีอารมณ์ที่เกี่ยวกับปัจจุบันนะแต่ถ้าหากว่าทางรับอดีตอนาคตเราหมดสิทนไหมเอาตัวอารมณ์ไปวัดตรงนี้ไม่ได้ก็แปลว่าอารมณ์นั้นชัด และก็ทางใจก็ลำพึงถึงชัดอันนั้นก็ผลิตแต่ธาลัมนะหรือไม่ผลิตก็ดูที่ว่ารับปรมัตหรือบัญญตัติถ้าไปรับปรมามัตเป็นอารมณ์นี่แต่ธาลัมนะเกิดไหมโยมตุ้ยเกิดไม่เกิดเกิดใช่ไหมในขณะที่มีแต่มีปรมามัตถะเป็นอารมณ์แต่ถ้าในขณะมีบัญญัติเป็นอารมณ์แต่ธาลัมนะไม่เกิดนี่ก็ดูที่ไดงไม่ได้ใช่ไหม ไม่ใช่ถ้าหากว่าอติภูตารมนะวิภูตาลมเนี่ยจะให้ให้สังเกตชาวนาชวนให้ให้สังเกตจิตะไม่ได้ทำไมเนี่ยในในอติวิภูตามเนี่ยก็มีจิตะหนเขณะือมีเลยมีค่ะเนชวนอรละหนึิบหกวี่ะเออใช่เออเออไม่ได้จริงจงก็เอาสังเกตว่ารับรับปรมัดหรือบัญญัต ตรงนี้ชัดดีกว่าถ้างั้นเนี่ยอืถ้างั้นเออจริงจงดิงเยเนะี่ยเอาอย่างนี้วิธีนี้รับปรามาสหรือบัญญัติเป็นอารมณ์รับการมมาทำที่เกี่ยวกับปรามาสใช่ไหมอะไรนะี่ที่เสียไปเมื่อเช้านี่ไม่คืนเลยนะ <ไป S 2> ชีสิมาลาเดี๋ยนี่หายบ่อยซะแล้วนี่เป็นงี้นะเอาอารมณ์เป็นปรามาสหรือบัญญัติเป็นประมาณเป็นต้นก็แล้วกันหรือ ถ้าไปรับมหาคตะเป็นอารมณ์รับโล ก, กุตละเป็นอารมณ์ก็อย่าไปใส่ตะทาวหน้าเนอะก็ดูตรงนั้นก็ยังเอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดอยู่นั่นแหละอารมณ์เป็นเครื่องวดัดเออเมื่อกี้ลืมตรึกลืมคิดตรงนี้ไปเดี๋ยวตุ้ยมองเห็นนล้วนะคําว่าเมียตีตะวังหนึ่งหรือถึงเจ็ดขนาดหนึ่งถึงห้าขนาดอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ที่สภาพของอารมณ์นั่นนหละว่ามโนทวาร ว, วัชะนาจะลำพึงถึงได้เมื่ อ, อไหร่ ใช่คําว่าแม้จะไปบอกว่าวิ่งเข้ามาสู่คลองของมโนทวารก็แหมมัน ม, มันก็เห็นได้ยากจังใช่ไหมอารมณ์นั้นอยู่ๆผุดขึ้นมาแท้ที่จริงคือว่าอารมณ์เกิดแล้วเกิดอยู่แล้วในขนาดนั้นแล้วอารมณ์ก็ใกล้ชิดในขนาดนั้นทีนี้จิตน้อมเมื่อไหร่น้อมเมื่ออารมณ์เกิดมาแล้วกี่ขณะจิตถ้าเกิดมาแล้วหนึ่งขนาดจิตก็คือวัดเป็นตัวตีถวังนั่นแหละ ตัวนั้นน่ น, นะก็สังเกตไปก็สังเกตไปเป็นอย่างนี้นะส่วนในอติวิภูตารมวิถีทวนอีกนิดหนึ่งทวนอย่างเร็วๆหน่อยคงคงทันนะอติวิภูตารมวิถีทีเท่เป็นตัาธรรมนาวาละหกวิถีในหกวิถี12บสองประเภทดูยังไง แตตาธรมณวาระที่มีอตีแต่วังที่เกี่ยวกับกาเมชวนะายี่เจ็ดเว้นโทสะสองห้าประเภทนับยังไงที่มีอตีแต่วังหนึ่งถึงห้าขนาดนี่ดูวิถีตัวอย่างเนี่ยนะอันนี้ห้าประเภทแล้วก็ที่เกี่ยวกับโทสะที่เป็นแตตาธรมณวาระที่มีอตีแต่วังที่เกี่ยวกับโทสะเชวหน้าเนี่ยสองเนี่ยนะอีกห้าประเภทก็มีอตีแต่วังหนึ่งถึงห้าขนาดอันนี้ดูตามวิถีก็ไปก็แล้วกันในที่นี้นะทั้งสิบประเภทเนี่ยห้าประเภทแรก เป็นกามชาวนะยี่บเจ็ดห้าประเภทหลังเป็นโทศาสชาวนะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่อารมณ์ในประเภทแรกที่เป็นกามชาวนะยี่บเจดนั้นอารมณ์สมชนิดคืออตีอิธา อ, าาอาิธาเมชตะแล้วก็อนิฐาอารมณ์หนะอารมณ์หนะีที่เป็นสามประเภทที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูปสิบแปดเกิดในปุตชฌ์สี่อริยผลบุคคลสี่เกิดในกาเมภูมิสิบเอดเท่านั้นนะ ใช่การภูมิสุเอตไหมใช่ ด, ด, ดูตัวไหนตถาธรรมนะดูการเมพวังส่วนตถารรมนะที่มีอติตวังที่เกี่ยวกับโทสะาชาวนะอีกห้าเพศที่มีอติตวังหนึ่งถึงห้าขณะเป็นโทสะาชาวนาสองนี่เป็นตถารรมะนะหกนะหกนั่นก็เพราะอารมณ์ตัวอารมณ์นั้นมีสองอย่างคือ อารมณ์หที่เป็นปัจจุบันนิพันธนรูปนั่นแหละที่เป็นอิทธามัชชะแล้วก็อนิธ า, าสองประเภทนะนี่เป็นในในห้าวิถีอันนี้สิบประเภทเอามาดูอีกหนึ่งวิถีสองประเภทแยกยังไงที่ไม่มีอตีแต่พ ว, วงังถ้าไม่มีอติแต่ตพ ว, วงังมีรับอารมณ์อะไรรับอารมณ์อะไรดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยรับอารมณ์ที่เป็นถ้าใน ที่เป็นกาเมชาวนะยีบเจ็ดเว้นโทสาสองที่ไม่มีอติแต่พวกวางนี่รับอารมณ์หกที่เป็นอติอิทาอิท า, ทามาชาตะอานิทะที่เป็นอดีตด้วยไหมเป็นอดีตด้วยเป็นอนาคตนิพพานรูปสิบแปดและธรรมอารมณ์ธรรมารมณ์มมในที่นี้ต้องแยกว่าธรรมอารมณ์องค์ธรรมเขาได้แก่จิตทั้งหมดเจตสิกมีเป็นต้น น, นนะนะแต่ธรรมอารมณ์ในที่นี้ได้แก่กามจิตห้าสิบสี่ ได้กามจิตห้าสิบสี่เจตสิกห้าสองอนิพพานนโรบสิบที่เป็นเตกาลิกะถามทำไมได้แค่การมจริตห้าสี่ตัวไหนเป็นตัวบังคับให้ได้แค่นี้ตาตาธรรมนจิตรับปริจตธรรมรับกามธรรมรับป ร, ม, ธธรมัตธรรมแชทเลยอย่างเนี้นะรับกรรมธรรมด้วยเป็นปริจตธรรมด้วยและในกรรมธรรมนะั้นเป็นปรมัตธรรมด้วยทำไมถึงบอกรับปรมามัต ย้ำตุยมองเห็นนะใช่ไหมวิถีที่มีตาทารลำหน้านี่หมดสิทธิ์ในการที่จะไปรับบัญญัติเป็นอารมณ์ในตรงนี้เห็นนะตรงนี้มองตรงนั้นให้ชัดเตนกันแล้วกันเนี่ยนี่นี่ น, นีประเภทหนึ่งอันนี้ประเภทกางไปชาวนะายี่เจ็ดอารมณ์สามชนิดทีนี้ไปดูประเภทโทสากชาวหน้าสองอารมณ์สองชนิดส่วนส่วนในการกําหนดบุคคลหรือภูมิต่างๆเหล่านั้นก็ก็ไม่ยาก ที่ไม่มีอติตะวังที่เกี่ยวกับโทสะเชลหน้าสองอีกหนึ่งประเภทนะในหนึ่งประเภทนีที่เป็นโทสะเ ช, าชาวหน้าสองแต่อุเบขาแตทารรมหน้าหกตัวนี้บ่งบอกเลยว่ารับอารมณ์ที่เป็นรับอารมณ์หกนั่นแหละรับอารมณ์หกที่เป็นอิถามชตะและก็นิทะไม่มีอติถะเพราะตะทารรมนัเกิดได้ไม่ถึงสิบเอ็ด สมณะตถาลัมหน่าห้าไม่ห ม, ไหมือยใช่ไหมใช่ไหมใช่สมณะตถารัมาน่าห้าเป็นไปตามอารมณ์ประเภทอดีตะในที่นี้ไม่มีเลย อ, อารมณ์ดีอย่างยิ่งโดยสภาวะไม่ดีเลยเอา้าไม่ดีทําไมไดอารมณ์หกละอารมณ์เป็นอดีตด้วยเป็นอนาคต ด, ด้วยนิพพานรูปสิบแปดและธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกัารเมจิตห้าสี่เจ็สิ่ห้าสองด้วยและนิพพานนรูปสิบที่เป็นเตกาลิกา ด, ด้วยนี่ทําไมอะ อารมณ์เหล่า น, นี้ถามว่าดีได้ไหมได้แต่ในที่นี้อารมณ์ดีบันกลางกับอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมอเยกตัวอย่างถ้าเป็นจิตเนี่ยเห็นชัดหน่อยอกุศลจิตเนี่ยถือว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีอกุศลจิตกับอกุศลเจตสิกดีไหมในขณะนั้นอารมณ์นั้นไม่ดีในขณะที่น้อมถึงความรู้สึกที่เคยโลภเคยกโกรธและเคยหลงมาเนี่ยในขณะนั้นชื่อว่ามีอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอ น, นิธารมนะเคยเป็นใช่ไหม ถึงเราจะน้อมไปด้วยความชอบใจหรือไม่ชอบใจมันก็เรื่องแต่ในที่นี้คือไม่ชอบใจอยู่แล้วอย่างเช่นเคยฆ่าเนี่ยเคยฆ่าแล้วน้อมไปนึกถึงเรื่องที่เคยฆ่าเนี่ยใช่ไหมในขณะนั้นชื่อว่ามีโทสะเป็นอารมณ์แล้วไม่พอใจไม่พอใจคือฆ่าน้อยไปหน่อยใช่ไหมหรือบางทีน้อมไปปุ๊บแล้วก็หงุดหงิดกรรมที่ตนเองทำก็เป็นโทสะอีกเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกก็รับอดีต ที่เกี่ยวกับโทสะนี่แหละเป็นอารมณ์นี่เป็นนี้บางทีก็หงุดหงิดนะบางทีก็หงุดหงิดว่าตอนจากที่ไปฆ่าเขาแล้วต่อมาก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยเพราโทสะเกิดทุกทีใช่ไหมหรือหรืออย่างนี้อย่าทายอมตุยตรึกตรึกอย่างนี้อย่างคนบางคนโกงเข้ามาเนี้ยพอกงเข้ามาใช่ไหมก็นึกถึงโลภะแล้วโกรธไหมน้อโกรธืินึกถึงโลภะแล้วโกรธเนียโทสะเนี้ยอันนึกถึงโลภะแล้วโกรธยังไง บอกเ อ, อเราอในทำนองนวันนะวันทำนองจิตที่มันตรึกแล้วก็ที่เราทำกรรมไม่ดีมั่งรู้ไหมเคยโกงเขาเนี่ยใจก็รู้อยู่นี่เร า, าโกงเขามาแต่เอีทำไงดีเอาไปทำบุญดีกว่าไออย่างไงเราก็โกงเข้ามาแล้วอยาให้มันบาปเอาทำไมไม่คืนก็เอาเดี๋ยวเขารู้ว่าเราโกงอู้อไหมก็เลยแกล้งเราทำบุญทำอะไรไปเสีย้ยแทย้จริงห ง, งุดหงิดนะเนี่ยห ง, งุนนงดหงิดที่อะไรนึกถึงทรัพย์ใช้ทรัพย์แต่เราบาปทนะ่นหงุดหงิดมาก บาปมันตามรบกวนถ้าใครเคยเป็นเรื่องนี้จะรู้ทําไมถึงรู้เคยเคยเกิดเคยเกิดแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบอะไรมากนะไปกับเขาอย่าเงี้ยไปทําเกิดทําทําว่าโลภะเจ๊คิดถึงโลภะตรงนั้นที่ไหงดหงิดทุกทีตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่หงุดหงิดแล้วถ้าหงุดหงิดจะเป็นบาปต่อก็พยายามกันความรู้สึกในชีวิตเคย เคยทํากรรมด้วยโลภะกันทั้งนั้นใั่ไหมที่ผิดๆเนี่ยเคยไม่เอาที่นั่งกันอยู่เนี่ย <Okay. S 1> เคยไหมเคยทั้งนั้นแหละในอดีตนะ <Okay. S 1> แต่ถามว่าแล้วในในขณะนี้แล้วในอนาคตต่อไปจะทําอีกหรือไม่กันนั้นก็ไปตึกพี่เจ้าไอ้ตรงเนี้ยในขณะนั้นเ้าเรียกมีกา ร, รมมาทําเป็นอารมณ์เลยแต่อารมณ์ประเภทนั้นเป็นอนิธารลมถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอิทธามชัชตารลมก็คืออารมณ์ที่เกี่ยวกับในด้านของกุศลธรรมหรือรูปทั้งหลายที่เป็น ผลโดยอ้อมของกุศลนวิบากอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอาลมณ์ อ, อารมณ์นั้นเป็นปัจจุบันหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเพราะบางทีการเห็นในบางทีเป็นอารมณ์อารมณ์การเห็นนั้นเราก็ไม่ทราบไงว่าเห็นลักษณะใดใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่เห็นผ่านมาแล้วแต่มันน้อมแล้วมันปรากฏอยู่ก็เห็นนู่นกันแต่อารมณ์นั้นมันหายไปตั้งนานแล้วเป็นอนดีตก็ได้เราไม่รู้ไงแช่ แต่ถ้าหากเป็นทาให้เก่าว า, าสก์ถืออย่างนี้อารมณ์ปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยเห็นชัดๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏเลยถ้าอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเทวดาเอาราชรถมาหาจริงๆเลยเป็นปัจจุบันของท่านพอทศเขาต้องการมารับเลยเนะี่ยสำหรับคนมีบุญทั้งหลายเนะี่ยยังไม่ทันตายเลยพวกแย่งพวกกันเลย ถ้าเห็นอย่างนั้นปลื้มใจเลยนะยอมตัวเนะ ย, ยิ้มให้กับตัวเองเลยนะบอกไปดีเนี่ยสำคัญเด็นอีกอย่างระวังนะคนที่เคยทำเอางี้ชีวิตชีวิตที่ผ่านมาใครเคยทำอาชินกรรมประเภทไหนไว้มากๆตรึกบ่อยๆคิดบ่อยๆชำนาญบ่อยๆนั่นแหละอารมณ์ประเภท น, นั้นแหละก็พึงสังวนระวังกันต่อไป อารมณ์ประเภทนี้มันจะใกล้ชิดมากและมีโอกาสในการแทรกได้ง่ายมากถ้าหากว่าอยากจะรู้ก็ลองป่วยดูดิแล้วจะรู้ว่าอารมณ์อะไรที่มาแทรกง่ายที่สุดในขณะที่ป่วยอะ่ะลองทดสอบป่วยถ้าบ่อยๆคือนะป่วยบ่อยๆป่วยหนักๆ น, นะป่วยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าเรานี่ควรจะมีคติเป็นไปอย่างไร มันอันนี้หมายถึงแค่ยังไม่แน่นะแต่ก็มันพอเครื่องวัดได้บ้างถ้าเป็นมีเหตุพิกพันในขณะใกล้ตายคนมาฆ่ากันใกล้ๆจะตายขึ้นมาเนี่ยหวยุ่งกันเลยใช่ไหมโยมตัวถ้านั่งรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุกวจะทำใจได้นจุดติจิตเกิดก่อนนี้ยุ่งกันเน้บอกยไม่ทันเลยยังร้องเออะอะโวยวายอยู่เลยเนี่ย กรรมไม่ชะลูกก็จะดับจตุติจิตก็จะเกิดแะและ้วนี่ยุ่งเลยนี่ฟังว่าทำบ่อยๆก็แล้วกันไอ้กลุ่มพวกนี้จะได้ดีหน่อยมกลุ่มฟังว่าทําบ่อยๆตรึกบ่อยๆมีแต่สนทนากันแบบนี้ ถ้าอย่างนี้จะชัดใช่ไหมขึ้นไปข้างบนก็นเอาวิถีมากลางลกลางสวนนานากันอย่างนี้ไปดีเนี่ยยังตัวเพราะจิตมันน้อมอยู่นใเ น, นเรื่องนี้ใช่ไหมเราชํานาญเรื่องนี้ถ้ายิ่งจะตายได้แล้ววิถีจิตเข้ามาอหูยเป็นสายเลยเคุยชัดเลยตอนนี้บอกว่าได้ดีแล้วเราอแต่ได้ดีดูจิตตอนนั้นด้วยนะว่าดีดหรือเปล่า วิถีจิตเข้ามาได้จิตกลัวนี่ก็บเหมยเป็นโทอ้อสาต้องระวังหลายๆอย่างเพือนเพื่อนนี่นะเกี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นอดีตอ น, นาคตปัจจุบันก็ก็แยกแยกกันออกไปดูว่าอารมณ์ที่ปรากฏนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้คือกลุ่มที่อารมณ์ชัดน ะ, ะดูที่หน้ายี่สี่หน้ายี่สี่นี่ชาวนาวาระมีอธิษฐานเพ ว, วังไม่มีอาคารดูกับเพ ว, วังที่เกี่ยวกับ กามาชานะย7บเจ็ดเว้นตัวศาสสองเจ็ดประเภทอันนี้ดีตระวงังหนึ่งถึงเจ็ดนะอ่ะตรงนี้แหละหนึ่งถึงเจ็ดอยู่ตรงเนี้ยเห็นแล้วใช่ไหมก็คือถ้าเราจะเขียนวิถีก็เขียนอย่างนี้นเนี่ยอ่หนึ่งถึงเจ็ดในหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเกิดในรู ป, ปรภูมิหมดเลยเห็นไหมตัวศาสชาวนาะนั้นไม่เกิดโดยสภาพ แตทารมณนาก็ไม่เกิดเพราะไม่สามารถจะเกิดได้อย่างนี้เขาเรียกอุบัติเหตุใช้คำว่าเหตุขัดข้องนะเหตุขัดข้องที่แตทารมณ์น้เกิดไม่ได้นี่นะเจ็ดประเภทเนี่ยจำตัวเห็นไหมถามว่าถามจำตัวว่าทำไมแตทารมณนัไม่เกิดมีเหตุขัดข้องจริงๆเขาอยากเกิดนะเพราะเป็นอติภูตารมวิถี แต่ไปเกิดไม่ได้เพราะวิถีนี้ไปเกิดในรูปภูมิต้องงงไว้เลยวิถีนี่ไปเกิดในรูปภูมิในรูปภูมิตทาธรรมนะไม่สามารถไปเกิดได้อาทาไมในรูปภูมิตถาธรรมนะจึงไม่สามารถไปเกิดได้เพราะกําลังของตทาธรรมนะไม่พอตทาธรรมนะนั้นเป็นวิบากของกรรมธรรมเป็นผลของกรรมธรรมโดยเฉพาะ ถ้าจะเกิดก็เกิดเฉพาะในกาลมาภูมิและก็ต้องแม้แต่อารมณ์ยังต้องจํากัดเลยในขณะที่ตาทารมณ์นาจะเกิดก็ต้องเกิดอยู่เฉพาะที่จิตที่เกิดในเกิดต่อจากกาลมาวนะและกาลมาวนะนั้นก็จะต้องมีอารมณ์ที่เป็นกาลมธรรมที่เกี่ยวกับปรมาถ ธ, ธรรมนี่นะถ้าเฉวนะนั้นเป็นมีอารมณ์เป็นบัญญัติตาทารมณ์นาก็สุดเอื้อมไม่สามารถที่จะไปเกิดได้ ที่ออกมาเหมือนอะไรนะยเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมเดินเล่นตามได้ทุนบ้านลูกๆที่ออกมาใหม่ๆกาลังเดินเล่นก็พอเดินตามได้ใช่ไหมโยมถึงถ้าพ่อแม่ไปไล่ไปนานี่เดินตามไหวไหมนั่นแหละแต่ธาร้ำนาเป็นเช่นนั้นถ้ากามาชฉาวนะเนี่ยเป็นชาวนาในกามก็จริงอยู่ไปเกิดในรูปภูมิอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาไปไกลแล้วตามไม่ได้เพราะตนเองถ้าจะเกิดก็เกิดอยู่เฉพาะวนๆวนๆเหมือนกับเด็กมันเด็กน้อย แค่นี้มองเห็นเลยใช่ไหมมองเห็นแต่ทากําลังของแต่ทางรามนาจะไม่เกิดในรูปภูมิวิธีนี้ในรูปภูมิสิบห้าเวนัสัญญาเนี่หมดสิ้นเลยแต่าทางรามนาจึงไม่เกิดที่มีอดธระวางก็ในย่ากเก่านะคือมีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันมาดูบุคคลหน่อยได้บุคคลห้าติเหตุกข์กบุถุชนหนึ่งแล้วก็อริยผลบุคคลสี่ ถ้ามีประเด็นคําถามมาบอกทําไมทุกติเหตุกบุคคลสุก ต, เตกิเหตุกาบุคคลและทวีเหตุกบุคคลจึงไม่ได้เกิดจึงไม่สามารถไปเกิดในรูปภูมิเลยทั้งทั้งที่บุตรชนเกิดได้ตอบเขาว่าไงฮะจะตอบเขาว่าไงยมเสรีเ อ, อาทวีเหตุกบุคคลเนี่ยทําไมไม่ไปเกิดในรูปภูมิได้เพราะอะไรบุคคลที่มีเหตุสองทำไมไปเกิดไม่ได้ ตรงนี้คืออย่างนี้ทวีเหตุกาบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะทําฌานสมาบัติได้เข้าฌานก็ไม่ได้จเจริญฌานก็ไม่ได้ถ้าจะฟังทำปฏิบัติทำก็เป็นได้แค่วาสนาภาคียะตั้งว่างสร้างเหตุปัจจัยคือจะต้องเป็นเป็นอธัธยาศัยอย่างนี้เขาเรียกอภาภาพบุคคลกลุ่มบุคคลประเภทนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดไม่แสดงธรรม แต่แสดงทําเครื่องให้สร้างวาสนาบารมีอธัธยาศัยไปก็ขออย่าให้เป็นว็ข้าับย้าก็แล้วกันนะถ้าเป็นก็ต้องไหวาชาติอื่นก็ไปเจริญได้ถ้าหากว่าไม่ประมาหรือไปเกิดเป็นติเหตุกการปฏิสนธิ ไม่ได้แต่สร้างสร้างสร้างอธยาสายัยสร้างอุปนิสัยสร้างวาสนาได้บบเป็นวาวสนาภากยยาไปเครียดประจัย <S <S ก็ต้องดูว่ากรรมอะไรส่งผลในขณะตายกรรมที่เป็นทวิเหตุหรือติเหตุทีหนิด เ, เนเีนเ่ย ก็ใช้คำว่าแค่อ่านนะว่าไปแล้วจะไปเกิดกับเพราะเรื่องพบชาตินี่โยนไม้ขึ้นข้างบนเลยแหละไม่รู้จะลงหัวหรือลงท้ายเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องวัตตเนี่นะก็สร้างเหตุให้ดีก็แล้วกันสร้างเหตุดีนี่เป็นอย่างนี้นี่กลุ่มในรูปภูมิรูปรภูมิสิบห้า ดูดูสองวิถีนี่ดูสเจ็ด 4, ประเภทนี้นะตรงนี้ก็ต้องบอกเขาให้ให้ได้นะว่าถะกลุ่มของทวิเหตุถกับบุคคลเนี่ยถ้าเขาถามว่าทำไมไม่ได้บอกทำชานไม่ได้จริงทำไมล่ะตัวปฏิสัณที่ตัวผวางของเขาเนี่ยเป็นตัวผวางหรือตัวปฏิสัณที่ที่ไม่ประกอบไม่สหองอรคธด้วยปัญญาเหมือนกับฐานเดิมเลยเนะะ แปลว่าบุคคลที่จะรองรับคลุ ก, กรรมของกุศลกรรมหนักๆนั้นก็จะต้องมีฐานของปัญญาเป็นตัวรองรับในธรรมปฏิสุลที่มามองออกยังไงกันเลยมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวในขณะที่เป็นอตัตีแต่ผวังผวังขจารณะและผวางคูปเฉ ท, ท้าที่จะเป็นปัจจัยกับมโนทวารวัชนะเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพที่ดีจะต้องมีคุณภาพที่ดี ถึงมีคุณภาพดีอย่างเดียวแล้วพอที่ไหนแล้วยังเกี่ยวกับท่านบุญนั้นทําอั น, นันเรียกรรมหรือเปล่าทํากรรมหนักอะไรหรือเปล่าเป็นต้นนะถึงทั้งนั้นมันก็ขาดหมดแหละไอเรื่องคารุกรรมหนักๆที่เป็นกุศลเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยคนบางคนได้ฌานเนี่ยแต่ในพบนั้นแหละตนลกนรกเพราะได้ฌานไปต้องเยอะแยะมีพระเทวทัศน์เป็นต้นทุวคนจะได้ฌานกันทั้งนั้นทําไมกันนรกไม่ได้มันเป็นโลยธิธรรมยังไม่ยมดเ เสื่อมได้ง่ายมากต่อการเสื่อมเพราะว่ามหคักตกรรมเนี่ยเขาให้ผลในพบที่สององใช่ไหมถ้าเขาเกิดเสื่อมอำนาจลงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ผลในพบที่สองได้นี่เป็นเช่นนี้นะเขก็ ก, ก, ก็ก็พิจารณาให้ดีอยู่กับความไม่เที่ยงเนี่ยพระเจ้าต้องบอกโอ้โหเรื่องที่เป็นโลกิยาคำคำนี้ก็สะดุ้งแล้ว คำว่ทาที่เป็นโลกิยาเนี่ยเราไม่ได้โลกุตระอะไรแต่ทำไม่ได้มีคุณวิเศษเนื้อแน่ น, ม, นมันจะติด ต, ง ต, ง ร, ตรงสรวนกระกรับติดแล้วมันจะดีคงไม่เกี่ยวมันมีเกีก่ยวกับเทปมากกว่าท่าเทป น, นี่เป็นหนึ่ ง, งคำพูดเอะ <c oughs> ต่อไปดูกามชาดูชวนาดูสุทธะมโนทวานอติ วิภูตารมชวาวนวลาไม่มีอคันุกก า, าพวังนี่นะียที่มีตีตะวังหนึ่งถึงเจ็ดขนาไม่มีอาคารตุกก า, าพวังนี่เนะีที่เกี่ยวกับกาบชาวนะยิบเจ็ดเว้นทัวาศาสสองเจ็ดปเพศเกิดในรูปประภูมสิบห้าว่าโดยบุคคลได้บุคคลห้าคือติเหตุกาปุทุชนหนึ่งอริยาผลบุคคลสี่ว่าโดยภูมิ เกิดในรูปภูมิ15เว้นสัญญาสัตต ภ, ภูมิในรูปภูมิ15บนะว่าโดยอารมณ์ละ่ะรับรูปอารมณ์เออไม่ใช่อโอารมณ์สนะรูปารมณ์ศัตรมณ์และก็ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูป13เว้นคานะ สชิวหาวญยาณสองร่างกายยมยานสองนะเนืเว้นไปหกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยภาวะอีกสองเนะืเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหรนะ่เนี่ยคาเออไม่ใช่คานะหนึ่งชิวหาหนึ่งกายยะหนึ่งแล้วก็ภาวะอีกสองอิทธิภาวาะถ้าปริสภาวะมันเป็นนับจิตจะได้งงซ้ายงงที่เป็นอติอิทธารมมีิทธามะแชตาร ม, ารมและนิทารมไม่ะทำไมถึงจัดอย่างนี้ว่างั้นเนะี่ย ทำไมจริงจัดอย่างนี้ก็บอกรับปัจจุบนันเหมือกันนะรับปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็แสดงให้เห็นชัดว่าพรมทั้งหลายไม่สามารถรับคาณาปา ช, ชิวหาภาะสากายยะปสาทแล้วก็ภาวะรูปได้ไม่เคยมีในภพนั้นตนเองไม่เคยมีประสาทเหล่านี้เห็นไหม เป็นพรหมนี่เขาหมดกามมาราคะแล้วไงฉะนั้นถ้าปารถนาไม่มีเพศก็ทำฌานให้ได้น ะ, ะแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยนเรื่องของกรรมคุณถ้ากลุ่มของเทวดาทั้งหลายเนี่ยโรมนี้ก็มีสิงสนะี่พัเพราะหมบตาโอ้โหไม่เ <c oughs> ยอะเลยพรหมเยอะพรหมนี่มียเยอะพระ คนที่เป็นพรหมแค่ท่านหนึ่งเนี่ยอายุอยู่หลายกับคาว่าหลายกับเนี่ยโลกเรานี่หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่เท่าไหร่คนกลับไปเจริญชานกันอีกเยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพรหมเยอะพรหมก็เยอะแต่จริงถ้าเทียบกันกับสัตว์นรกก็ก็น้อยกว่าเยอะเนี่ยฉะนั้นในกลุ่มของพรหมทั้งหลายเนี่ยเขามีมากไม่ใช่ไม่มากแต่เขามาก ก็มีอยู่แบ่งไป้สองกลุ่มเอประเภทสมาทิฏฐิก็มีชาทิฏฐิก็แบ่งใหญ่ๆเนี้ยกลุ่มที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าก็มีสมาทิฏฐิจะอย่าลืมนะความสุขมันสงบมากนะไอ้ที่ไปอยู่เฉยๆไม่ได้ต่ออีกเยอะเหมือนกันขนาดกินบุญเก่านี่ก็ไม่รู้อย่างมันไม่หมดเป็นนะ่ะถ้านับดูอย่างเราๆทั้งหลายโอ้โหยาวนานมากใช่ เราตายเกิดแล้วจนคํานวณไม่ได้บุคคลเหล่านี้ยังยังเ ฉ, ย, เฉ ย, อยอยู่เลยยังไม่มีอะไรสะดุ้งสะทือนเลยกลุ่มเหล่านี้ถึงบอกบางคนจึงมีอัตตาไงเห็นว่าเที่ยงเลยอะ่ะไอ้กลุ่มที่เห็นว่าเที่ยงยิ่งเยอะใช่ไหมยังโดยก็ไม่เปลี่ยนคนอื่นเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเราไม่เปลี่ยนดิ่งทามหาพรหมยังมีกลุ่มอัตตาเย อ, ยอะคนอื่นเขาเปลี่ยนหมดพอพรหมมาปฏิสัชชาพรหมมาโปรฮิตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลย แต่ตนเองไม่เปลี่ยนเห็นไหมอายุยังต่างกันอย่างมากไมนะ่เนื้อขนาดพรหมบริสัชากับมหาพรหมเนี่ยยังต่างกันมากเลยอย่าแปลกใจตรงนั้นในกลุ่มของพรหมทั้งหลายแต่ถ้านึกอย่างนี้เขามีความสุขมากนะหนึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการมวุณเลยแม้แต่ละเอียดอ่อนเหมือนเทวดาที่เกี่ยวข้องกันเทวดานี่แค่มองเนี่ยอย่างนั้นในทางด้านเขาได้กรรมคุณแบบหนึ่งนะั่นเลยสำเร็จจากการมองเท่านั้นเลย ใช่หมอย่างนั้นก็ถือว่าละเอียดมากแต่พรหมบอกว่าหยาบพรหมไม่มีเรื่องพวกนี้เลยความสุขถ้าคิดอย่างคนอยู่ในกามาภูมิตั้งหลายบอกชอบไหมเนี่ยเอาใครชอบไม่คิดแบบนี้ชอบภาวะการเกิดเป็นพรมหมไม่มีโทสะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีกามาคุณไม่มีโทสะไม่มีกามาคุณ <c oughs> น, นี่นี่เป็นงี้ไงยามตัวสังเกตไหมบอกว่า รับธรรมมารมที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูปสิบสามเว้นไปห้าสิบแปดเว้นห้านั่นแยกออกไปนะโอ้โหต้องกระแทกแรงๆเทปเริ่มมีปัญหาเยอะอ่้ต่อไปดูที่ไม่มีอาตีตแต่วังนะแล้วก็ไม่มีอาคารตรกับพระวังที่เกี่ยวกับการชาวนายี่บเจ็ดไม่ใช่ยี่เ็ดที่เนี้ วิ่พกเลนี้ยพอวิ่ยเจ็ดก็มีเนี่ยวิ่ยเจ็ดก็มีวิ่ยพกก็มีดูวิถีกรที่เกิดในกาลมาภูมิเกิดในกาลมาภูมิเนี่ยนะไม่มีแต่ฐานอำนาวาลาโดยนั้นเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยอารมณ์นะออารมณ์กับอะไรที่ไม่มีแต่ฐานอำนารับรับอารมณ์รับอารมณ์เอาอดูตรงนี้ในวิถีเนี่ย เกิดในการมาภูมิสิบเอ็ดว่าโดยบุคคลได้ปุตุชนสี่อริยผลบุคคลสี่มีดูตามไปด้วยนะอารมณ์หนึ่งที่เป็นธรรมารมณ์อารมณ์หนึ่งที่เป็นธรรมอารมณ์ได้รรแก่มหาคตาจิตโลกุตตะจิตเจตสิกที่ประกอบที่เกิดขึ้นในการทั้งสามนิพานบัญญัติที่เป็นการลวอมุตย์ <c oughs> ไอมีอารมณ์ติอิฐากิธรรมชตานะ อารมณ์เหล่านี้ต้องเป็นอารมณ์ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เพระเออนอารมณ์ที่เป็นโลกุตระอารมณ์ที่เป็นมหากะตาอารมณ์ที่เป็นบัญญัติอารมณ์ที่เป็นพระนิพพานตะทารมณ จ, จิตจึงไม่สามารถเกิดได้เห็นไหมเน้นลงตรงนั้นด้วยกามชนะให้ยี่สิบหกเว้นอะไรเว้นอะไรกับเว้นหาสิหาสิตุปาทจิตนั้นรับปรามาสเป็นอารมณ์รับ บัญญัติไม่ได้รับพระนิพพานไม่ได้รับโลกรุตระทำไม่ได้รับมหกะตาไม่ได้แล้วก็รับโทไอโทสามุรจิตโทสามุลจิตก็หมดสิทธิ์ในการที่จะรับอารมณ์นี้ในที่นี้เขาต้องการแยกประเภทนั่นเองโทสาโทสาไปอยู่อีกประเภทหนึง่งที่จริงโทสารับบัญญัติได้ไมจริงจริงโทสารับได้ไหมอโทสารับแต่วิธีนี้โทสารับบัญญัติได้ทําไมจะไม่ได้ล่ะ ไปโกรธบัญญัติกันเป็นแถวเป็นแน ว, วหมดตัวสามโมรจิตจะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ได้เนี่ยถ้าไม่ได้ยุ่งนี่นะยเข้าใจงี้ด้วยนะเอาต่ออารมณ์หนึ่งที่เป็นธรรมารมณ์ได้แก่มหาคตจิตโลกุตระจิตเจสิกที่ประกอบที่เกิดขึ้นในการทั้งสามจิตนี่ต้องเกิดในการทั้งสามได้และก็นิพพานบัญญัติที่เป็นการลาวิมุตเอาอะไรว่ะีนี่ ไม่ได้เปิดดูที่บอกแม่ าปเลขาดาทีี่เยปนอยอ่ดูวิถีที่เกิดในกามภูมิเป็นอย่างนี้นะในกามภูมิสิบเอ็ดถ้าว่าโดยองค์ธรรมปรมาร์ตก็ดูตามนั้นดังที่ได้ว่ามาเนี่ยกา마ปวังสิบมโนทวารละวะนันจิตหนึ่งแล้วก็กามาชาวนา 26เว้นโทษาเว้นหาสิทุปาถ้าจิตเหตุผลดังที่ให้ไปส่วนประการต่อมาคือวิถีที่เกิดในรูปปภูมินี่รูปภูมิ15้เว้นสัญญะในวิถีนี้ไม่มีอตีแต่ผวังไม่มีอาคารถูกับผวังอยู่แล้วเพราะว่าไปเกิดในภูมิโนธ อ, อารมณ์กี่อย่างอารมณ์สามอย่างเลยนะในรูปปภูมิเนี่ยกามาชาวนา27 เ, เว้นโทาสอง รูปภวังห้าเป็นภวังหน้าและภวังหลังได้บุคคลห้าติเหตุกับุทุชนอริยผลบุคคล4อธิบายเหตุผลในเรื่องของบุคคล5นี้ไปเรียบร้อยแล้วรู ป, ปรภูมิ15เว้นอสัญญาสตภูมนั้นว่าโดยภูมิทว่าโดยอารมณ์ก็คืออารมณ์สาม 3. รูปอารมณ์ศัทธาร ม, ม์และกระทามอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตนิพพนรูปสิา เว้นขาหน้าชิวหากายยแล้วก็ภาวะสองแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เป็นกามจิตกามจิตก็ได้มหาคตจิตก็ได้แล้วก็โลกุตรจิตเจตสิกที่ประกอบเว้นอะไรโทเจตุกะเจตสิกสี่ทำไมต้องเว้นถ้าโทสากเกิดไม่ได้โทเจตุกะสี่ก็ต้องเว้นออกไปอนิพพานรูปที่เป็นเตกาลิกะคำว่าเตกาลิกะนี่คือคือเป็น อดีตอนาคตปัจจุบันนะและก็นิพพานบัญญัติที่เป็นกาลวิมุตตนิพพานบัญญัติทำไมยิ่งจัดเป็นกาลวิมุตตคือพ้นจากการอยู่แล้วใช่ไหพ้นจากการทั้งสามอยู่เลยเอาไหนใช่ที่ไม่มีอดีตต ะ, ะวังหนงวิีนคะเออใช่<ล>ใ ช, <ล>ชท่มีานะอเียับจั ก, กใช่ใชเียวิีแล้วก็ เป็นการมาภูมิรูปภูมิและรูปภูมิตามหลักสูตรไงถ้าเคยถ้าเคยดูหลักสูตรมาก็เห็นชัดเลยที่เขาแยกมารักษณะเช่นนี้นี่เป็นพิเศษออกมาว่าันเถอะแยกออกมาเป็นพิเศษจริงจริงจะไปว่าแยกเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่ไงเขาแต่เราเป็นพิเศษออกมาที่ต้องการเนีให้ดูว่า วิถีที่ไม่มีอติแต่วางเกิดในกาลปรภูมิยังไงรูประภูมิยังไงแล้วอารมประภูมิอย่างไรก็ดูตรงนี้ในที่นี้จริงๆต้องทําความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะในวิธีตรงนี้ทำความเข้าใจกันเยอะเมื่อกี้ว่าไงนะท่านชายันเจตสิกไงที่ประกอบกับโทศาสองโทษจตุกาเจตสิกต้องเว้นด้วยนะยมตุยนะเพราะโทเจตุกาเจตสิกสี่ประกอบได้ใน โทสามูลจิตสองโทสามูลจิตสองเกิดในรูป ภ, ภ, ภูมิไม่ได้เป็นปฏิบัติต่อกลุ่มของพรหมเขาชาเนียตัวโทสารนี่เกิดไม่ได้นะคนที่ทําชานี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวพอไม่โทสารนี่ไหม้เลยหยาบจัดพูดถึงพรหมเนี่ยสามาดีพรหมอสามาดีพรหมเนี่ยมีบทบาทมาราตนาพระเจ้าไงจำได้ไหมต้องดูในวินไหนพี่ดก ทำไมจึงชื่อสามดีพรมแต่อดีตชาติเป็นสากาภิกุเป็นภิกษสูนะเ น, นี่ยพรมเนี่ยเคยเป็นภิกษุในอดีตทาชานได้ไพ่เกิดลุ่มคอมมาราชนาพุทเจ้าโลกจะชีพหายแล้วพุทธเจ้าขวนขวายน้อยในการที่จะไม่กล่าวพระธรรมไม่แสดงธรรมเป็นพุทธประเพณี พ่อโลกุตล ร, รรมที่ตนเองตัดรู้ได้นี่ละเอียดมากละเอียดมากจึงไม่น้อมในการที่จะขนน้อมเนาะจึงน้อมไปในการขนขวายน้อยไม่น้อมไปในการที่จะแสดงธรรมคือยากยิ่งเลยเนาะยากจริงๆเไม่ใช่ยากธรรมดาเห็นจัดโลกที่ยังมัวเมาในการบคุณยังติดในการบคุณลหลงไหลในการบคุณเพิดเพลินในการบคุณอยู่เนี่ยก็ ก็ว่าโอ้โหทำมาที่จะสรุปได้ในละเอียดตึกซึ่งแล้วบุคคลที่มีมีเป็นชีวิตคราวาสเับแคบอย่างนี้จ ะ, จะเจริญบุญได้ยังไงมองเห็นไหมยอมเสเนพระเจ้าตรึกอย่างนี้นะพอตรึกอย่างนี้แค่นั้นนะพรมเดือดร้อนดึงพรมเลยฉะนั้นเราก็ต้องขอบพระคุณพรมก็ได้นะแต่จริงๆเป็นพุทธปฏิเณีด้วยเป็นพระเจ้า ทำอย่างนั้นทุกๆพระองค์ง่จะต้องกัญวายน้อยแบบนี้หมดแล้วก็จะต้องมีพรอมเป็นต้นนำมาลาท่านนะพระเจ้ า, าก็ถ้าเราลองคิดดูทีว่าถ้าเราไปได้สิ่งที่ยากที่สุดต้องอาศัยศรัทธาวิรยิยสติสมาธิเป็นกำลังอย่างยิ่งจึงจะสามารถที่จะถึงได้ แต่มองดูสัตว์ทั้งหลายที่ยังเพลิดเพลินในกา ร, รมคุณทั้งหลายเนี่ยลองคิดดูว่าจะส่งผลขวายน้อยสักเพียงไรคือว่าคําสอนที่ตัสรู้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงทีนี้ก็มาตรึกยังไงรู้ไหมมาตรึกในลักษณะว่าที่กลุ่มที่อุคติตันยูวิปจิตตันยูแล้วก็เนยยะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่พอนันดาพระ อ, องค์ตรึกหมดเลยนะไอ้ตอนตรึกในครั้งนั้นนะ่ะตรึกละเอียดมาก เอาไว้รายละเอียดเมื่อไรเดี๋ยวจะขยายตรงนี้ฟังละเอียดจริงๆเนะือหนึ่งอัธยาศัยสองบุคคลที่จะได้บรรลุแยกแยะหมดเลยนะวันนั้นที่ตรึกเนยก่อนที่จะไปประกาศทำเนี่ยวางแผนในใจแล้วรู้หมดเลยว่าใครไปได้เท่าไหร่บรรลุเท่าไหร่ไอ้ที่ไม่ได้บรรลุจะฟังไปเพื่อเว้นอัธยาศัยเท่าไหร่แม้แต่เราก็ถูกตรวจสอบในยุคนั้น ด้วยสัพพัญญุตยานของพระเจ้าขันของเราตอนนั้นในยมสุริโดนพระเจ้าตรวจสอบหมดเลยแต่ไม่มีวาสนาในยุคนั้นที่จะตะทัทโรพอเป็นวาสนาได้อาจจะพอได้ยินกระแสะเสียงบางเล็กๆ น, น้อยๆบอกก็ไม่รู้นั้นโดนตรวจสอบหมดแล้วขันของพวกเราทั้งหลายตรวจสอบแล้วยิ้มหรือใสนะเปิดเ <c oughs> <c oughs> ล, ลิดเลยนี่เป็นนี่เนะย ก็ยังดีนะที่พุทธเจ้าตรวจสอบมาหลายองค์แล้วก็ยังไม่ผ่านเนี่ยสแสดงว่าคุณสมบัติไม่พอกันเลยนะแต่ก็ได้นะียแสดงพวกเรานี่สร้างอัธยาศัยไว้นะเนี่ยยิงไม่ยอมตัวย้่ ง, งไม่ได้มาศึกษากระดับวิถีอย่างเงี้ยโอ้โหถ้ากลุ่มนี้ต้องกลุ่มไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยกลุ่มที่เรียนวิถีได้ศึกษาวิธรมได้เนี่ยไม่ธรรมดาหรอกแค่ในรูปภูมิเนี่ยดูสังเกตดูกลุ่มของอารมณ์ที่เขารับอารมณ์สามนะรูปอารมณ์สัตยารมณ์และก็ธรรมอารมณ์ ที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็นิพพานในรคปสิบสามเดินเว้นคารณะเชียวหากายะภาวะสองทำมรรมที่เป็นอะไรการมจิตก็รับได้แต่ทำไมจึงกะพรมนั้นทําไมจึงรับกามจิตได้ก็ต้องถามบอกว่าใช่กามจิตไหมเกิดขึ้นกับเขาในขณะนั้นเกิดที่ฉะนั้นกามจิตทําไมจะรับกามจิตไม่ได้เห็นไหมเขาก็เกิดได้เป็นปกติของเขาเนะีกามจิตเนี่ยโลภะก็ยังมีกลุ่มของบุตชน โมหะก็ยังมีโทษสารเพียงว่าขมมอกใช่ไหมแต่เกิดอกุศละธรรมก็ยังเกิดความเห็นผิดมีก็ยังมีอยู่นั่นแหละกลุ่มของพรหมที่เห็นผิดก็มากที่เห็นถูกก็เยอะก็แยกแยกกันไปลองคิดดูที่น่าจะเห็นเห็นผิดขนาดไหนไปอยู่ในภพที่มีแต่ความสุขปับ น, นั้นใช่ไหมใช่ทีจะมีความสุขเอาอย่างนี้เวหาพราเนี่ยอายุเท่าไหร่ห้าร้อยมหากับเวหาภราพรมเนะ มหากลับเนะยไม่ใช่กลับเนะี่ยใช่ไหมอายุเท่ากันแะไรเท่ากับอสัญญสตาพรหมถามว่าจะไปเกิดอย่างนั้นเนะ่ยหรืออคติฐาพรหมเนะี่ยโหเท่าไรนะเท่าไรเนะี่ยอริยาภวาค่าเ้องไ้ตรวจสอบดอายุที่อ๊ยกลุ่มเราเนี่ยเปิดเผยนะน่าเปิดเผยแต่แต่อยากเกิดนะหลายหลายคนเนี่ยมาศึกษาตรงนี้บางคนไม่อยากเกิดเป็นพรมเนะี่ย อาถ้าไปเกิดเป็นพรหมเป็นบุตรชนเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาสมมตุติถ้าทําฌานได้แล้วไปเกิดเป็นพรหมแล้วเป็นบุตรชนเนี่ยเอาไหมเอาไม่เอาเนี่ยแต่มีโอกาสได้ใช่ไหมถ้าพระเจ้าจะโปรโดทุกครั้งเนี่ยยกยิ้วพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่กลัวจะไม่น้อมฟังธรรมเลแต่ด้ยมากขอให้เกิดอย่างนั้นไว้ก่อนจดีแล้ว คนเราไปตั้งหลักให้นานๆน้อยคงจะมีอัยาริยอยากฟังพระธรรมบ้างวะเขาอยู่บนนู้นกระดาษสร้างเหตุปัจจัยไปขนาดเนี้ยใช่ไหมพอจะมีอัจฉริยะสอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เรื่องของอารมณ์นะในเรื่องของภูมิรูปภูมิสิบห้ากล่าวมาแล้วในเรื่องขององค์ธรรมปรามาจา์ก็ดูในหลักการพระเจ้าหน้ายี่เจ็ดมโนหนึ่งนั่นเป็นวิถีจิตส่วนรูปรวังห้าหน้าและหลังนั้น อันนั้นเป็นวิธีมุตตจิตไปอ่ะต่อไปคือวิธีจิตที่เกิดในอรมณ์ภูมิมาไปดูหน่อยในรูปภูมิหรือกาม่เช่าหนะเออไม่ใช่เชานะ่าหน้าเหลือยี่หกเป็นโทสะกับเว้นเลยเนะี่ยหาสีด้วยหาสีเกิดในรูปภูมิได้เนะพระทหารอยู่โดย น, นั้นก็ได้แล้วก็ท่านก็ยิ้มด้วยด้วยการเป็นพระทหารท่านเยอะตรง ไม่ในะรู ป, ปรภูมิรู ป, ปรภูมิแต่หมายถึงโยกไปดูตรงนั้นส่วนข้อที่เกิดในอรมณภูมิในอรมณภูมินี่ปฏิสนธิด้วยจิตสี่ดวงพวังก็มีสี่คืออารูปภวังสี่รูปอารมูปาวิาจเจลวิปากจิตสี่มาทำกิจพวังหน้าและหลังในวิธีนี้เกิดแก่บุคคลได้หนะติเหตุกับบุรชนหนึ่งแล้วก็อริยผลบุคคลสี่ ระหว่างตีเหตุกับผูุ้ชธนกับเรียผลบุคคลเนี่ยไหนมากน้อยกว่ากันเนี่ยไม่รู้เลยยังไม่ได้คํานวณไม่ไม่ได้เจอคําสอนตรงไหนเดาเดาแล้วน่าจะผุุ้ชนน่าจะเยอะเงินใช่ไหมบางพบบางบางกลับบางกันที่กลุ่มบุคคลไม่ประมาทเอาแค่ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าเนที่ไปก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย ให้สังเกตดูที่แต่ละบุคคลเนะี่ยล้วนได้ฌานสมาบัติกันทนะั้งนั้นที่ไปฟังธทำห ร, รือพุทธาบางคนเนี่ยได้ไมา่จะาเป็นฆราวาสแล้วหรือได้มาจากนักบวชหรือศีชีพายแล้วใช่ไหมกลุ่มบางนี้เรื่องฌานเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะกลุ่มอยากพ้นทุกข์กันทนะั้งนั้นเนี่ยกลุ่มคิดออกออกจากวตะแต่คิดผิดอาการมชอนะ26ว่าได้ภูมิก็เกิดในรูปภูมิสีเท่านั้นเองอาการสาณใจยะตนะภูมิ วิญญาณัญญายตนาภูมิอากิจัญญายตนาภูมิและเนวสัญญาณาสัญญาเยตนาภูมินั่นือเกิดสี่ภูมิว่าโดยอารมณ์เมื่อรับอารมณ์สามชนิดเลยดูสิอติอิทาอิทามชตตาไดนิดทาคืออารมณ์หนึ่งเนะแต่ได้สามชนิดที่เป็นธรรมอารมณ์อันได้แก่กามกจิตกามกจิตเท่าไหร่ยีเจ็ดหรือคืออกุศลจิตสิบเวน้นโทสาสองมโนหนึ่ง มหาคุโสรจิตแปดมหากริยาจิตแปดอรูปาวัจจะสิบสองตามสมควรแก่ภูมิโลกุตระเจ็ดเว้นโสดาปฏิมักโสดาปฏิมักเว้นไปนะยอมตัวเนะเว้นโสดาปฏิมั ก, มกแล้วกเจตศึกสี่สิบหกเว้นโทจตุกะเจสิกสี่อปมัญญาสองทำไมจึงเว้นอปมัญญาหาคําตอบหน่อยเอาทาไมจึงเว้นอปมัญญา ทำไมทำไมทำไมบนโน้นไม่สามารถที่จะเจริญจตว่าบวิ ญ, ญัติได้เลยและอีกอย่างก็คือฌานเขาเลยหมดแล้วนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่มีสัตว์หรอกการที่จะเจริญเมตตากรุณาเนี่ยต้องมีบุคคลเป็นอารมณ์ไหม อย่างพวกเราจะเจริญเริ่มต้นเนี่ยลองคิดดูต้องเห็นสัตว์ที่กําลังได้รับความทุกข์แล้วจะไปเห็นได้ไงรู้ไหมได้ยินเสียงสัตว์ที่กำลังร้องกําลังรับความทุขเออความทุกข์เป็นต้นเนี่ยมองยังไม่ยอมตัวไม่มีตามหมดสิทธิไหมหมดสิทธิแล้ว <c oughs> ก็โดยมาแล้วก็อีกอย่างก็แล้วก็เป็นรับอะไรไงที่เป็นเตกาลิกาแล้วก็รับนิพพานบรรัญญัติที่เป็นการไรมุดด้วยนะอันนั้นก็ก็แยกแยกกันไปนี่เป็นอย่างนี้ โอ oh, วันนี้วันนี้วันนี้หมดเวลาเนี่ย